ข้อความในมหาประทานสูตรทีขณิกายมหาวัก์กล่าวถึงการพยากรณ์นิมิตรหรือพยากรณ์มหาุริศลักษณะของพระโพธิสัตว์ในข้อ28หน้า17กล่าวว่าดูก่อนที่สูตรทั้งหลายก็เมื่อพระวิปัสสีราชกุมารประสูตรแล้วแลพวกอมหาก็ได้กราบทูแลแด่พระเจ้าพันธุมะว่าขอเดชะ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 พระองค์นั้นทรงมีชัยชนะแล้วมีพระราชาอาณาจักรที่มั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการนันะก็คือจักรรัตนะช้างรัตนะมารัตนะแก้วมณีรัตนะแล้วก็อิทีหรือนางนางรัตนะนางแก้วเนี่ยนะนะครหบดีรัตนะแล้วก็ปรินายกรรัตนะเป็นที่เจ็ด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 แจ้วมณีรัตนะแล้วก็อิทีรัตนะเครือหาบดีรัตนะปรินายกรัตนะความหมายของรัตนะนี่หมายคือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความยินดีก็คือเนื่องจากว่าพระองค์นี้มีสิ่งที่น่ายินดีมีสิ่งที่น่าปลาปลืม้มนอันนี้คือความหมายของรัตนะพระองค์นี้มีเครื่องปลื้มใจประจำชีวิตอยู่เจ็ดอย่างซึ่งมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะสาหรับบุคคลทั้งหลายทั่วไปเนี่ยนะ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 พระองค์มีแก้วมณีก็คือมีเครื่องที่ทำให้พระองค์สำเร็จความปรารถนาะคือจะปรารถนาะสิ่งใดก็ปรารถนาะสิ่งนั้นได้อย่างไม่ยากไม่เย็นแล้วก็ชีวิตครอบครัวก็เป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขสบายเพราะมีอิทธิรัตนะมีพระยาที่ตามใจทุกอย่างเยนะคือหมายก็ว่าไม่ใช่ตามใจตัวนะตามใจพระเจ้าจากักรพรรดิทุกอย่างคือไม่เคยสร้างความลาบากใจให้พระเจ้าจากักรพรรดิใดๆเลย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 ประการของพระเจ้าจักรพรรดนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้อย่างเช่นจักรรัตนะนั้นไม่สามารถจะตีเป็นราคาเป็นมูลค่าเป็นสิ่งที่มีราคาคือประเมินค่าไม่ได้มีค่ามากมายะนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะทั้งเ็ดประการของพระเจ้าจักรพรรดนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้จักรรัตนะก็ประเมินค่าหาประมาณไม่ได้หรือแม้กระทั่งว่า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 สิ 17, มีกึ่งพระกายท่อนบนเหมือนกึ่งกายท่อนหน้าของราชสี18มีพระมีระหว่างพระอังสาเนี่เต็มเรียกว่าบาเนี่เต็มหมดสิ 19, มีปริมนทนดุดไม้นิโครตคือต้นไทรวาของพระองค์เท่ากับพระกายของพระองค์พระกายของพระองค์ก็สูงเสมอกับวาของพระองค์นั่นะนะเรียกว่าวากับสริระเนี่ยสูงเท่ากัน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 ยีสามีพระทนคือฟันสี่สิบสี่ยี่สิบสี่มีพระทนคือฟันเนี่ยเรียบเสมอกันยี่สิบห้าเนี่ยนะมีพระทนคือฟันเนี่ยไม่ห่าง26มีพระทาถะขาวงามคือเขี้ยวของพระองค์นั้นขาวแล้วก็งามยีสบเ็ดมีพระชิวหาเนี่ยใหญ่คือลิ้นของพระองค์นั้นเป็นลิ้นที่ใหญ่ยีสบแปดมีพระสุรเสียงดุดเสียงแห่งพรมพระองค์นั้นตรัดมีสำเนียงดังนกกระเวศ ยี่สิบเก้ามีพระเนตรเนี่ยดำสนิทสามสิบมีดวงพระเนตรดุจ ด, ดวงตาแห่งโคสามสิบเอ็ดมีพระอุณาโลมบังเกิดหน้าระหว่างแห่งพระขนงมีสีขาวอ่อนกวนเปรียบด้วยนุ่นก็คือมีขนที่หน้าผาก ต, ตรงพรนณนาผากเนี่ยเป็นสีขาวระหว่างคิ้วนะสามสิบสองมีพระเสียรดุจประดับด้วยกรอบพระพัก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 มันจะฝ่าเท้าข้างละจักร น, นะจากเหล่านั้นมีซี่มีกลงมีดุมได้ก่าวสมบูรณ์ด้วยอาการทุกประการได้ยินว่าดุมของจากเหล่านั้นปรากฏณนทะ่ามกลางพื้นพระบาทกล่วว่าเอาตรงกลางเลยนะวัดเส้นองศาถ้าตรงกลางพระบาทนั้นจจะเป็นดุมดุมก็คือแกนกลางแล้วก็ลวดลายวงกลมกำหนดด้วยดุมย่อมปรากฏก่าดูกลมเหมือนกับเป็นดุมเกียวเลยเหมัน้น วงกลมล้อมหน้าดุมก็ปรากฏท่อน้ําปรากฏซี่ปรากฏลวดลายวงกลมในซี่ทั้งหลายก็ปรากฏกงก็ปรากฏกงแก้วมณีก็ปรากฏเกี่ยว่าลวดลายเนี่ยนะรายละเอียดที่ไม่ได้กล่าวในบาลีก็มีเพิ่มอีกนะก็คือเกียกว่ามงคลมงคลร้อยแปดในฝาพระบาทเช่นอ่านะในในพื้นพระบาทจริงๆเนะี่ยมีเป็นตาราง เป็นเหมือนกับตะข่ายเป็นตารางเนี่ยนะเป็นตารางเหมือนกับกระดานหมากรุกเนี่ยหมากฮอตเนี่ยนะเป็นเหมือนกระดานแบบนั้นในในในตารางเหล่านั้นก็มีอะไรบ้างมีรูปหอกรูปเว่นสองพระฉายรูปดอกพุดซ้อนรูปสายสร้อยรูปสังวานรูปทาทองรูปมัชชาคู่คือปลาคู่รูปต่างรูปขอรูปปราสาตรูปเสาระเนียรรูปเสเวตฉาตรูปประขันรูปพัดใบตาลรูปหางนกยูง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 ก็เหมือนกับลําเทียนเพราะฉะนั้นจึงมีนิ้วพระหัสนี่ยาวะก็คือนิ้วนิ้วแต่ละนิ้วก็งามแล้วก็ยาวนิ้วพระหัตต์ก็ยาวนิ้วพระบาทก็งามข้อห้าพระองค์ไม่มีฝ่าพระหัตต์และฝ่าพระบาทนี้อ่อนนุ่มโมทุตัลุณะหัตถปาโตความว่ามีพระหัตต์นยนะแปลว่าเป็นมือมือมีเท้านี่อ่อนนุ่มเหมือนอะไรเหมือนปุยฝ้าย ที่ยีตั้งร้อครั้งเนี่ยนะหมายก็ว่ามันอ่อนนุ่มมากเหมือนสำลีเหมือนกันแต่เป็นสำลีเป็นร้อยชั้นที่ยีอย่างดีแล้วก็รวมตั้งไว้ในเนยใสเหมือนกับว่าเป็นสำลีที่ชั้นชั้นชันชั้นช้ น, ช น, ชนเนี่ยนะบางบางเนี่ยร้อยชั้นแล้วก็ใส่เนยใสยพะะนันก็ยุบลงก็นิ่มนวลนพรา ะ, ะนนในเวลาพระชนพระองค์เนี่ยพระชนอายุเจริญอายุมากขึ้นมากขึ้นก็าตามพระหัตถและพระบาทก็อ่อนนุ่มเหมือนเมื่อประสูตร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 แปล ว, ว่าประกาศถึงความเป็นสุขุมาลชาติเนี่ยนะเป็นผู้ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งหกพระองค์นี้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทเนี่ยมีลายดุดตะข่ายก็คือมีลายเหมือนตาข่ายก็คือลา ย, ลา ย, ลายกระดานหมากรุกเป็นต้นนะบทว่าชาลหัตตาพาโดความว่าระหว่างพระองค์ผู้ลีเนี่ยนะหนังไม่ติดกันนิ้วเนี่ยไม่ใช่ว่าติดกันเป็นปื้นเหมือนนิ้วเป็ดอะนะไม่ใช่แบบนั้น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 พระเเนี่ยนะพระองค์นี้มีพระบาทเหมือนสังควาพระบาทเหมือนสังควมหมายคาอว่าข้อพระบาทตั้งอยู่เบื้องบนพระบาทของพระโพธิสัตว์นั้นจึงเป็นเหมือนกับสังควมเราหอยสังที่คว่ําลงอะนะเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงมีพระบาทเหมือนสังควาจริงอยู่ข้อเท้าของคนอื่นที่อยู่บนหลังเท้าเพราะฉะนั้นเท้าของคนเหล่านั้นจึงติดกันเหมือนติดด้วยสลักกลับกรอกไม่ได้ตามสะดวก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 แปลว่ามีหนังคือตาจะคือตะโจเนี่ยหนังประดุดหุ้มด้วยทองเหมือนกับว่าเอาทองแผ่นเนี่ยนะมาปิดด้วยความงดงามบทว่าสวุวรรณวรรโนมีสีเป็นสีทองคําความว่าพระมหาบุรุษนี้เช่นกับรูปทองแท่งที่คลุกเคล้าด้วยสีแดงเนี่ยฉาดแล้วก็ขัดด้วยเนื้ อ, อด้วยเขี้ยวเสือแล้วก็ระบายด้วยดินสอแดงตั้งเอาไว้อันนี้โบราณกรรมวิธีในการตกแต่งทองอะนะ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 พันพวกฝุ่นทุทลีละอองความเศร้าหมองเตือนต้นเนี่ยไม่มาแปดเปื้อนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะถึงมาโดนร่างกายของพระองค์ก็กลิ้งตกลงไปเหมือนกับน้ำที่ตกไปจากใบบวัวก็พระพุทธเจ้าทั้งปวงเนี่ยนะาถามว่าอ้าถ้าอย่างนั้นทำไมพระองค์ต้องแปลงฟันด้วยล่ ะ, ะนะมึกกระว่าเคี้ยวไม้สีฟันทาไมต้องแปลงฟันทำไมต้องส่งน้าทำไมต้องล้างพระบาท ก็บอกว่าที่พระองค์ทาอย่างนั้นเพื่อให้ร่างกายได้รับอุณภูมิเนี่ยนะอุณภูมิที่เหมาะสมที่เรียกว่าอุตุหรือฤดูหมายความว่าให้ได้สัมผัสร้อนสัมผัสหนาวสัมผัสเย็นได้รับอุณภูมิอที่สมที่เหมาะสมที่ร่างกายทั้งหลายควรจะได้รับและที่พระองค์ส่งน้าเป็นต้นเนี่ยนะก็เหตุผลหลายๆอย่างก็คือทาย ก, ก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยนะคนอื่นก็จะได้ทาบุญกับพระองค์ได้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 คือมีพระวรากายเนี่ยสูงตรงขึ้นไปทีเดียวซึ่งแต่สัตว์ทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่สัตว์ทั้งหลายโดยมากย่อมน้อมไปในที่ทั้งสามคือที่คอบางทีเวลานั่งเนี่ยคอตกเลยบางั้นนะนั่งคอตกบ้างนั่นนะน ง, ค อ, ง, งคอเอียงบ้างนั่งก็เรียกว่าแทเหมือนกับ ว, ว่าคอนี่งายขึ้นข้างบนบ้างกเรียกว่าเหมือนกับแงหน้าเป็นต้นแต่ของพระหมหาบุรุษเนี่ยจะตรงทั้งหมดเพราะนั้น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 มีความสม่ำเสมองดงามแต่ชิวหาของพระมหาบุรุษเนี่ยอ่อนยาวใหญ่แล้วก็สีสวยเนี่ยนะพระกุมารนั้นเมื่อปลดเปลื่องความสงสัยของผู้ที่มาเพื่อสแสวงหาลักษณะเพราะอะไรเพราะชิวหาของพระองค์เนี่ยอ่อนพระองค์ก็สามารถเลบลิ้นเลบชิวหานั้นอะ่ะดูดของแข็งที่สะอาดแล้วก็ลูบช่องพรนาสิกทั้งสองได้เล็บลิ้นเหมือนกับทํำลิ้นให้เป็นเหมือนกับมว้วนแล้วก็เรียกว่า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 ไม่ใช่ผมยาวนะหมายว่าปกติเรียบได้ได พ, พระองค์นี้จึงมีลิ้นที่อ่อนยาวแล้วก็ใหญ่แล้วก็บางเหมือนกลีบบัวว่างั้นเถอะท่านถ้าสามารถแผ่ขยายให้บางเหมือนกลีบบัวความความสามารถอันนี้ทำให้พระองค์พูดได้เพราะมา ก, ก น, นะเพราะลิ้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของเสียงเป็นฐานของเสียงเป็นเครื่องมือที่ในการแต่งเสียงออกมามันมี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 แล้ก็เป็นคนรูปงามแล้วก็เสียงเพราะเนี่ยนะแล้วก็ที่สําคัญถ้าหากว่าโดยเอาเบญจา ก, กามมาคุณก็เป็นคนที่ไม่มีกลิ่นตัวงั้นนะไม่มีกลิ่นตัวนะแล้วก็อะไรนะสัมผัสก็นิ่มเหมือนอะไรเหมือนสัมลีใช่ไหมคนประเภทนี้แสดงว่าทาบุญมามากนี่ดวงตาละ่ะยี่สิบเก้าพระองค์มีพระเนตรดําสนิท ต, ตาของพระองค์นั้นดําสนิท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 นะก็เหมือนสํารีแล้วกันครัสีขาวเหมือนอะไรเหมือนแผ่นกระดานเออเหมือนสีเงินอ่ะนะเหมือนดาวประกายพรึกแล้วก็ประทับอยู่ที่หน้าผที่เป็นสีทองอ่ะนะสําหรับ อ, อ, อันสุดท้ายก็คือมีพระเสียรดุดประดับด้วยกรอบพระพักเสียรที่กรอบเนี่ยนะก็คือตั้งเหมือนกับกรอบหน้าที่งดงามอ่า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 หมวกหูเนี่ยนะหมวกพระกันทั้งข้างขวาเนี่ยปกพนาราททั้งสิ้นเนี่ยบริบูรณ์ระว่า ง, งามไปจนถึงโน่นน่ยพระกันซ้ายเนี่ยนะก็เรียกว่าดูตั้งแต่หูขวาไปทางหูซ้ายเนี่ยขอ ง, งามได้ยินว่าชนทั้งหลายเห็นลักษณะนี้ของพระมหาบุรุษได้กระทําแผ่นพระอุณาหิสําหรับพระราชาทั้งหลายอันนี้เขาเยกตัวอย่างว่าทําไมพระราชาจะต้องมีกรอบพระพักใช่ไหมกรอบพระพักเวลาที่ที่อภิเสกเนี่ยจะต้องสวมสวมอะไรสวมกรอบพระพักนะ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 เหมือนหม้อบ้างบางคนก็เหมือนเงื้อมภูเขาบ้างนะนะโผล่หน้าโผล่หลังยุบหน้ายุบหลังเป็นต้น่ะแต่พระมหาบุรุษมีพระเศียรเช่นกับฟองน้ําบริบูรณ์ดีหมายว่าเหมือนกับงดงามะนะลักษณะโค้งเหมือนกับตอมน้ําที่ฟองขึ้นนะเช่นกับฟองน้ําบริบูรณ์ดุดม้วนด้วยปลายเข็มตั้งเอาไว้ในสองนายนั้นระยะแรกพระกุมารมีพระเศียรดุด พระเสียรประดับด้วยกรอบพระพักเพราะฉะนั้นพระกุมารนี่มีพระเสียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักในที่สองพระกุมารนี่มีพระเสียรเป็นปริมนทนในที่ทั้งปวงดุจอุณหิตนั้นก็แปลว่าเหมือนกับปริมนทนดุจอุณหิตก็คือดูงามมากนะดูกรอบหน้างามแตกว่าดูแล้วทำให้ไม่รู้จักอิ่มดูแล้วก็ดูแล้วก็ยิ่งดูก็ยิ่งมีความสุขยิ่งดูก็ก่อให้เกิดศรัทธาว่าผู้ที่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 ประคับประคองเนี่ยอยากจะดูแลอยากจะเป็นที่เลี้ยงน่ยนะว่าจะเด็กบางคนเนี่ยอยเห็นแล้วก็เหนื่อยอะไรห่างๆหน่อยได้ไหมนะบางคนถึกว่กลัวเด็กไปเลยลก็เพราะเห็นเด็กที่ไม่น่ารักนั่นเองดูการพิสูจนทั้งหลายพระวิปัสสีราชกุมารผู้ประสูนยแล้วแลเป็นผู้ที่มีพระสุรเสียงกลมเกลี้ยงเสียงของพระองค์เนี่ยกลมเกลี้ยงไม่ก็กลมกลม่อมพู้แล้วไม่ใช่มันแตกพร่าไปหมดไม่ใช่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 มองทะลุภูเขามองลึกลงไปข้างล่างเนี่ยทัานจะเมื่อไรอย่างไรก็ตามเนี่ยเห็นรัศมีสิบหกกิโลเมตรโดยตลอดไม่มีอะไรปิดไม่มีอะไรบังเลยเนะก็นี่แหละถ้าทําบุญไว้แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละพิสูจนทั้งหลายก็วิปัสสิราชพระวิปัสสีราชกุ ม, มารผู้ประสูติแล้วแลไม่กับพิภพพเนตรเพ่งแลดูไม่ต้องกับพิภตาดูนะลืมตาเป็นปกติอะไรอย่งั้นพิสูจทั้งหลาย พวกเทพชั้นดาวเดืองไม่กระพิบ พ, พระเนตรไม่กพพระพิบพตาแพ่งแลดูแม้ฉันใดพระวิปัสสีราชกุมารก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่กระพิบ พ, พระเนตรแพ่งแลร็ดูแกเรียกว่าดูไม่ใช่ว่ามันกพพระพิบตาแบบคนระคายเคืองทางตานี่ไหมแกเรียกว่าเนื่องจากว่าบุญเนี่ยนาเกิดเนี่ยน ะ, ะร่างกายร้ายส่วนถูกชโลมด้วยด้วยกรรมาชรูปชั้นดีเนี่ยนะฮะจิตจะรุปประตูสรุปอาหารสรุปก็เลี้ยงดูได้เป็นอย่างดีท่านก็เรียกว่า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 และตาที่เกิดจากผลของบุญดูได้ไกลถึง16กิโลเมตรทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีอะไรปิดบังเนะอีกครั้งหนึ่งเหตุที่ชื่อว่าวิปัสสีก็มีอยู่ว่าครั้งนั้นแลพระเจ้าพันธุมะประทับนั่งในศาลสำหรับพี่ภาคษาคดีให้พระวิปสัสสีราชโกมานนั่งบนพระเผลาหรือนั่งบนตักไตสวนคดีเอาลูกมานั่งตักว่าความนลยะ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 โดยยิ่งกว่าประมาณว่างั้นเห็นหมดเลยเข้าใจหมดเลยนะรายละเอียดในสารแปลว่านั่งบนตักพ่อเนี่ยะตัวนิดเดียวเนี่ยวิจิฉัยคดีได้แล้วเนี่ยนะความสา ม, มารถขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเรียนกฎหมายให้เรียนเสียนเรียนป้าอะไรที่ไหนเนี่ยนะฟังแล้วก็เข้าใจทั้งหมดทะลุโปร่งหมดเลยก็คือมีเรื่องอยู่ว่าอครั้งหนึ่งเนี่ยนะอะบอกว่าคําว่าวิปัสสี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 เพราะพระกุมารผู้เป็นพระมหาบุรุษรู้ตั้งแต่ น, นั้นมาพระองค์ไม่เคยประมาทเลยนะนะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาสามารถพิจารณาสอดส่องอัดพักคดีได้เอ่อเพิ่มสักเล็กน้อยที่บอกว่าพระโพธิธสัตว์วิปัสสีเนี่ยนะพระองค์นี้มีพระสษาเสียงกลมเกลี้ยงไพเราะอ่อนหวานเป็นที่ตั้งแห่งความรักเนี่ยนะก็หมายค่ะว่าเสียงของพระองค์เนี่ยเป็นเสียงที่ไม่กระด้าง เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความฉลาดเป็นเสียงของคนฉลาดพูดนะนะเป็นเสียงของคนเขาเรียกว่าเสียงคนฉลาดกับเสียงคนโง่มันต่างกันเยอะเออเนี่นะอันนี้เป็นเสียงของคนฉลาดเป็นเสียงที่น่าพอใจเป็นเสียงที่ทําให้เกิดความรักเนะเป็นเหมือนกับเสียงนกกระเวกที่มีเสียงไพเราะว่าเกี่ยวกับเสียงนกกระเวกก็มีอยู่ว่าได้ยินมาว่าเมื่อนกกระเวกจิกมะม่วงสุกมีรสอร่อยด้วยจะงอยปากแล้วดื่มรสที่ไหลออกมาแล้วเนี่ยนะ ก็กระพือปีกร้องเรียกว่าร้องเพลงเหล่านั้นแต่แเรียกว่าจิกเนื้อมะม่วงแล้วกินแล้วก็จะมีรสมะม่วงนี่ออกน้ําำมะม่วงไหลออกมานกก็จะจิกดืม่มเสร็จแล้วก็กระพือปีกร้องบรรดาสัตว์สี่เท้าก็เริ่มเยื้องยั่งเหมือนเมาเนี่ยเดินเหมือนคนเมาเดินแล้วครับเนี่ยไม่เป็นท่าเลยนะเคยพอเคยสังเกตไหมอ่านหนังสือได้ยินเสียงอะไรสักอย่างในหนังสืออ่านไม่รู้เรื่องละเหมือนคนเมาอ่านหนังสืออันนี้บอสัตว์ทั้งหลายที่เดินก็เหมือนกับคนเมาเนี่ยเดิน มันบรรด า, าสตัตว์สเท้าแม้กาลังหาอาหารก็ทิ้งหญ้าที่เข้าไปในปากด้วยเสียงนั้นได้ยินเสียงนี่ลืมเคี้ยวอาหารเนื้อเลยเลืมกินเลยเสือร้ายที่กําลังติดตามพวกเนื้อ น, น้อยๆใครเรียกว่าเสือวิ่งตามเนื้อเนี่ยก็ไม่วางเท้าที่ยกขึ้นยืออะก็ยกขึ้นแล้วก็ยืนนิ่งอยู่เนี่ยนะใครเรียกว่าค้างอยู่นั่นแหละว่างั้นเถอะฟังเสียงดูก่อนนะอะไรเกิดขึ้นบรรดาเนื้อที่ถูกติดตามก็ละ ความกลัวตายยืนนิ่งอยู่ได้ยินเสียงที่เพราะลืมตายไปเลยมั้งเนแม้แต่นกที่กำลังบิ น, บนไปในะอากาศก็เหยียบปีกแล้วก็หยุดฟังเสียงปลาในน้าก็ยังกระดิกแผ่นหูหยุดฟังเสียงนกกระเวกมีเสียงเพราะถึงอย่างนี้เสียงเพราะมากสัตว์ทุกชนิดอยากได้ยินหมดเลยเพราะฉะนั้นพระนางอาสันที่มิตรตาเนี่ยนะพระเทวีของพระเจ้าธรรมาโศกราชก็ตรัสถามพระสงฆ์ว่าพระกุณเจ้า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 กรงทองก็ไปตั้งอยู่ข้างหน้านกกระเวกตัวหนึ่งนกกระเวกคิดว่ากรงทองมาตามพระดํารัสของพระราชาไม่อาจจะขัดขืนได้แล้วก็จับเฉยอยู่ณที่นั้นกรงทองก็มาตั้งอยู่เบื้องพระพักของพระราชาอมาดไม่สามารถให้นกกระเวกทําเสียงได้พระราชาก็บอกว่าดูก่อนพนายนกกระเวกนี้ทําเสียงอย่างไรอมาตก็กราบทูลว่าพวกนกกระเวกเหล่านี้เห็นญาติจึงจะทําเสียงนะต่อเมื่อได้ยินเห็นญาติและจึงจะทําเสียงพระราชาก็เลยเอากระจกมา มาล้อมนกนกมองดูเห็นเงาตัวเองนึกว่ามีญาติแล้วก็เลยกระพือปีกร้องดุดเป่าแก้วมณีด้วยเสียงอัน่ อ, อนมนุษย์ในสกลนครเยื่องกรายเหมือนคนเมาอนะคนที่ได้ยินเสียงนกกาเรเวกเนี่ยเหมือนเดินเหมือนคนเมาเลยเหมือนไม่เป็นท่าเลยท่านางอสัมที่มิตราก็ดําเนินว่าเสียงของสัตว์เดรัจฉานนี้ยังเพราะถึงอย่างนี้เสียงนกยังเพราะถึงอย่างนี้แล้วเสียงของพระ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 ความงดงามในยุคนั้นได้มาเพื่อจะให้พระโพธิสัตว์ได้ยินว่าพระวิปัสสีราชกุมารได้รับการบำเรอด้วยสตรีไม่มีบุรุษเจือปนเลยตลอดสีเดือนในปราสาทสําหรับฤดูฝนสีเดือนในฤดูฝนสีเดือนในฤดูร้อนสีเดือนในฤดูหนาวเนี่ยนะก็สลับหมุนเวียนไปไม่เคยเสด็จลงสู่ปร า, าสาทชั้นล่างเลยนีนะก็ใช้ชีวิตสุขสบายเช่นกับ เทพปบุเนี่ยนะเช่นกับเทพ บ, ทพบทุที่มีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวเห็นเทวทูตนั้นก็เป็นมันพวกนี้เนี่ยนะสำหรับวันนี้ก็ได้กล่าวถึงว่าผู้ที่เกิดด้วยบุญบุญกรรมนะบุญที่บำเพ็ญมาตลอดระยะการอันยาวนานมาตกแต่งนะให้บริบูรณ์พูนสุกงดงามด้วยความงามต่างๆอันเราก็จะได้ระลึกเอาไว้เจริญถึงพระสรีระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ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 ก็คือสิบหกอสงไขยแสนกลับจนได้ตรัสรู้อันน่ะมันเป็นบารมีสิบอุปปา ร, ปรมีสิบปรมัตถบารมีสิบมหาบริจาคฆ่าแล้วก็เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากดุสิตก็มาเกิดในพระคันพระพุทธมารดาอยู่ในคันครบสิบเดือนก็ประสูตรเนี่ยนะเมื่อประสูตรมาแล้วพระองค์กนะ็เป็นผู้ที่ ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะสามสิบสองประการมันก็ได้รับพยากรณ์ตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่าถ้าผู้ใดก็ตามที่ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะสาสิบสองประการนั้นจะมีความสําเร็จสองอย่างคติแปลว่าความสําเร็จมีความสําเร็จสองอย่างอย่างที่หนึ่งถ้าเป็นครองคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้านีซึ่งพราหม์ทั้งหลาย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 จึงต้องการปลนเปร์ต้องการดูแลเอาใจใส่พระราชโอรสพระองค์นี้อย่างมากเพราะไม่ต้องการให้บวชต้องการให้ลูกนั้นเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยนะพะนจึงสร้างปราศาสตร์ ส, สามหลังสําหรับสามฤดูให้แก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นจึงบริบูรณ์ไปด้วยเบญจากามคุณในข้อสามสิบสองหน้ายี่สิบสองกล่าวว่าดูการพิสูจน์ทั้งหลาย ครั้งนั้นแหลโดยการล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีก็คือพระองค์ได้เกิดในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุประมาณแปดหมืนปีในสมัยนั้นเรื่องราวจะเกิดขึ้นทีหนึ่งก็ต้องเป็นเป็นพันปีไปแล้วนั่นแหละพระวิปัสสีราชคุมานก็ได้ตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งว่านายสารถีผู้สหาย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 ดูความพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีราชกุมารทรงยานอันดีสเสดพร ะ, ะ, สะเสด็จประพาสพระอุทยานพร้อมกับยานที่ดีๆทั้งหลายพระวิปัสสีราชกุมารขณ ะ, สะเสด็จประพาสพระอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นชายชารามีสี่โครงคดเหมือนกรอนหลังก็อ ง, งอถือไม่เท้าเดินงอเงินเงิ น, ง น, ง น, งนกระสับกระส่ายหมดความเป็นหนุ่มแน่น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 ก็จะแก่อย่างนี้และอะไรเพราะนั้นถ้าจะเกลียดความแก่ก็ต้องเกลียดความเกิดเพราะความเกิดเป็นสาเหตุแห่งความแก่ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระเจ้าพันธุมะทรงนาริคิดว่าวิปัสสีราชกุมารไม่เสวยราชเสียเลยไม่ได้นะยังไงลูกเราต้องเสวยราชยังไงลูกเราต้องเสวยราชคือเหมือนกับว่าแบบพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยนะที่มีอะไรที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดประเสริฐที่สุด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 ต้องผิดว่างนั้นเองพิกูุทั้งหลายได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปัสสีราชคุมานเพียบพร้อมพรั่งพร้อมไปด้วยกรรมคุณห้าได้รับการบำรุงบำเรออยู่เป็นคนทั่วๆไปแล้วก็ยากแล้วนะในข้อสาสิบสี่ต่อไปว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหลโดยการล่วงไปหลายปีเนี่ยนะ ล่วงการผ่านไปผ่านไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชโุมาก็ได้ตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งว่าสารถีผู้สหายเธอจงเทียมยานที่ดีๆเราจะไปสวนเพื่อชมพื้นที่อันสวยสดพิสุทั้งหลายนายสารถีกราบคำสั่งของพระวิปัสสีราชโุมารแล้วก็เทียมยานที่ดีๆ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 ง่อยพร้อมที่จะเปรี้ยพร้อมที่จะเป็นอามพฤกเอามาพาดพร้อมที่จะเจ็บไข้ไม่สบายทั้งนั้นเลยนายสารถีผู้สหายถ้าเช่นนั้นวันนี้พอแล้วสําหรับภูมิภาคแห่งสวนเธอจงนําเรากลับไปจากวังจากสเอ่กลับจากกลับเข้าไปสู่วังกลับจากสวนนี้เถิดนายสารถีพอรับคําสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วก็เสด็จกลับไปยังวัง เกล็บไปจากพระจุทยานดูก่อนพิสูจนทั้งหลายได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปสัสสีราชกุมารนิเสดต์ถึงวังแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์เศร้าพระไทยพระองค์ดำริว่าผู้เจริญได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นของน่ารังเกียจน่ารังเกียจแท้ตัวความเกิดนี่แหละเพราะธรรมดาผู้ที่เกิดเนี่ยนะเพราะเมื่อความเกิดมีอยู่ ความแก่ก็จะปรากฏความเจ็บก็จะปรากฏสำหรับผู้ที่เกิดมาแล้วฉั้นคนที่เกิดมาแล้วเดียวก็แก่เดียวก็เจ็บเนี่ยนะเพราะฉะนั้นครวาชราก็ไม่พอมันบวกกับความเจ็บปวดไปหมดถามว่ามีร่างกายส่วนไหนที่ไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดแล้วก็ไม่รู้จักปว่วยเนี่ยนะบอกหายากพุกส่วนของสรีร่พร้อมที่จะเจ็บปว่วยพร้อมที่จะไม่สบายพร้อมที่จะมีโรคภยัยไข้เจ็บเข้าไป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 นายสารธีก็บอกว่าขอเดชะพระราชกุมาร น, นี้ไม่ได้ทรงอภิรม์ในภูมิภาคแห่งพระราชโยทะยานขอเดชะพระราชกุมารไม่ได้พอพระไทยในภูมิภาคแห่งพระราชโยทยานดังนี้พระราชาประทามต่อไปว่านายสารธีผู้สหายก็ราชกุมารขณะเมื่อประพาสสวนเนี่ยได้ทอพระเนตรเห็นอะไรเข้าอทําไมท่านจึงไม่สบายใจเอ๊ะทาไมท่านจึงเสียใจ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 บทว่าบทนี้ว่าชาราจักปรากฏพยาธิจักปรากฏความว่าเมื่อชาติชาราพยาธิทั้งสองนี้ย่อมปรากฏชาตินี้น่ารังเกียจคือคือคนโดยคนปกติทั่วไปเนี่ยถามว่าเมื่อเห็นเห็นความแก่เนี่ยเกลียดความแก่หรือเกลียดอะไรบอกเกลียดความแก่แต่ไม่รังเกียจความเกิด แต่อย่างว่ะอย่างยายทั้งหลายที่เห็นหลานเนี่ยนะย่าทั้งหลายที่เห็นหลานเนี่ยปกติเนี่ยรังเกียจไหมโอ้เนี่ยเกิดมาชร า, าเช่นเราแท้กลางนี่ยนะโอ้ดีใจหลานของย่าหลานยายเนี่ยนะมันซึ่งจริงๆแล้วก็ผู้ที่เกิดมาก็กลับมาเป็นเช่นกับตัวเองนั่นแล้เนี่ย νε νε. เราก็ทุกข์พอแรงแล้วเราก็ทุกข์เต็มพนลแล้วเนี่ยนะมันลูกหลานของเราก็เกิดมาทุกข์เช่นกับเรานี่แหละเนี่ยต้องคิดอย่างไรพันธ์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 ตรัดถามนายสารถีที่บอกว่าพระโพธิสัตว์ไปเห็นอะไรเข้าทำไมท่านจึงเป็นทุกข์ทำไมท่านจึงไม่พอพระไทยนายสารถีที่กราบทูลว่าขอเดชะพระราชกุมารเนี่ยขณะเมื่อประพาสพระอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บถึงความลำบากเป็นไข้หนักนอนจมอยู่ในมูดเล็กนอนจมอยู่ในอุจจาระปัสสาวะของตน บุคคลอื่นๆต้องช่วยพยุงให้ลุกคนผู้อื่นต้องช่วยให้กินครั้นพอดพระเนตรเห็นแล้วพระโพธิสัตว์ก็ตรับรับสั่งถามข่าพระพุทธเจ้าว่านายสารธีผู้สหายชายผู้นี้ถูกใครทำอะไรให้แม้ตาทั้งสองของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นๆแม้ศีรษะของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นๆนี่นนะก็ไล่ถามทั้งหมดทั่วสริระนั่นแหละ เมื่อข่าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าขอเดชะนี้เรียกว่าคนเจ็บพระองค์ก็ได้ตรัสถามย้ําว่านายสารถีผู้สหายนี้หรือที่เรียกว่าคนเจ็บเมื่อข่าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าขอเดชะนี้แลเรียกว่าคนเจ็บอะไคนเจ็บชนไหนเล่าเขาจะพึงหายจากความเจ็บนั้นได้เป็นโรคที่รักษาหายไม่ได้เด็ดขาดจริงๆรรักษาตรงนี้หายปวดตรงนั้นก็เอาใหม่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 ก็เปรียบได้เลยว่าตัวเองก็ต้องเป็นอย่างนี้คนอื่นก็ต้องมาคอย พ, พ, พยุงเราเนี่ยพยุงลุกพยุงนั่งนะดูแลอุจาระประสัสสาวะเนี่ยโอ้โหมันจะทุกข์ขนาดไหนเพราะฉะนัพระองค์ก็บอกวันสารถีผู้สหายถ้าเช่นนั้นวันนี้พอแล้วสําหรับภูมิภาคแห่งสวนเธอจงนําเรากลับไปวังจากสวนนี้ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าก็ราบคาสั่งของพระวิปัสสีราชคุมารแล้วก็นําเสด็จกลับไปจากวางัง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 รู้นะว่าท้องเสียตัวนี้มาจากอาหารชนิดไหนเนี่ยนะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระเจ้าพันธุมะเนี่ยนะพอได้รับฟังอย่างนั้นเสร็จก็คิดว่าวิปัสสีราชกุมารยาได้ถึงกับไม่เสวยราชเสียเลยยังไงก็ต้องเสวยราชต่ง้งวิปัสสีราชกุมารย่าผนวดออกบวชเป็นบรรปชิตเลยถ้อยคำของเนมิตรพราหมย่าพึงเป็นความจริงเลย เศร้านะฟังคือไม่อยากให้ลูกบวชเลยเนี่ยนะเพราะคือคือภาพของนักบวชเนี่ยนะท่านเห็นนะว่านักบวชสมัย น, น, นั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายอะไรเลยไม่ต้องการให้ลูกทุกยากลําบากต้องการให้ลูกเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขเพราะท่านถือว่าความสุขนั้นจะต้องบํ า, าบเรอตาบําบเรอหูบําเรอจมูกบําเรอลิ้นบําเรอร่างกายนี่แหละคือความสุขแท้ท่านทํำยังไงที่จะได้รับการบรําเรอปรนเปรตตาหูจมูกลิ้นกาย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 โดยอาการที่จะให้ถ้อยคำของเนมิตรพราหม์เนี่ยเป็นคำที่ผิดภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปสัสสีราชโกมา น, นั้นก็เพียบพร้อมอถูกบำเรย อ, อยู่ด้วยกามมาคุณห้าบำรงบำเรออยู่เนีย่ยนะชีวิตก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายเนะนี่ยนะนี่ต่อไปอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 และวอที่ทำด้วยผ้าสีต่างๆ ง, ง, ง, งานศพโบราณ น, น่ะนะถ้าสมัยนี้ก็อะไรพวงรีเต็มไปหมดเลยนะไอ้ผ้าสีสมัยนี้ก็คือพวงรีทั้งหลายนนะนเนี่ยนะคนนี่มารวมกันเยอะแยะพวงรีเต็มไปหมดเลยพ่พระเนธเห็นแล้วก็รับสั่งถามนายสารธีวานนายสารธีผู้สหายหมู่มหาชนเนี่ยเข้าไปชมกันทาไมและเขาทำวอด้วยผ้าสีต่างๆกันทาไม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 ดูกานพิสูุทั้งหลายนายสารถีกราคาบคำสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วก็ได้นำเสด็จกลับไปวังจากพระราชุทยานนั้นดูกานพิสูจทั้งหลายได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จถึงวางแล้วก็เป็นทุกข์เศร้าพระไทยดำริอยู่ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นของหนารังเกียจเพราะธรรมดาว่าเมื่อความเกิดมีอยู่ความแก่ก็จกปรากฏ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 ไม่มีธุระเอาเข้าวลงก่อนแล้วเขาว่าไปเห็นสี่เหลี่ยมก็ค่อยยังชัว่วหน่อยนะไปเห็นภาพคนตายแล้วทําใจไม่ได้เคยไปนอนอยู่ใกล้ป่าอยู่ในปา่าช้าโอ้ยกลิ่นมันก็ขาวคละคลุ้งเนี่ยนะก็หลับดีมกันนะเอาจนหลับจนได้นะตื่นขึ้นมากลางดึกโอ้ยเสียวเลยนะแล้วก็ขณะเขาไปนอนอยู่ปา่าช้าหลายปานะ่าช้าเนี่ยมันก็ยังเสียวๆอยู่เหมือนกันนะแสดงว่เาเอาเอกลัวอะไรกันแน่นะก็นี่แหละกลัวอะไรกลัวใจตัวเอง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 ดูการพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแหละพระเจ้าพรนธุมะก็ทรงพระดํำริว่าวิปัสสีราชกุมารอย่าไม่พึงโวยราชเลยวิปัสสิราชกุมารอย่าออกประหนดบวชเป็นบรนตชิตเลยถ้อยคําของเนมิตรพราหมทั้งหลายอย่าเป็นความจริงเลยเนี่ยนะไม่ต้องการให้ลูกบวชโดยประการทั้งพวงวัน ดูความพิสษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระเจ้าพันธุมะกราบสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสิราชกุมารด้วยกามคุณห้ายิ่งกว่าแต่ก่อนโดยอาการที่จะให้พระวิปัสสีราชกุมารเสวยราชโดยอาการที่จะไม่ให้พระวิปัสสิราชกุมารเส ด, ด็จผนวชบวเป็นบนรรปะชิตโดยอาการที่จะให้ถ้อยคำของเนมิตะพราบเป็นคำผู้ที่ผิดภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปัสสีราชกุมารเพียบพร้อมพรั่งพร้อมไปด้วยกามาคุณห้าได้รับการบำรุงบำเรออยู่นะก็พึ่งพ่อเนี่ยแม่ไม่ต้องการให้ลูกบวชนะทำยังไงจะผูกใจไว้ลูกไว้นะคุณะตัวนั้นแปลว่าผูกมันทำยังไงจะได้ผูกลูกให้อยู่กับความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธิภะทั้งหลายสุดเท่าที่จะทำได้ลูกจะได้สวยราชลูกจะได้เป็นจั ก, กรพรรดินะปกครองแผ่นดิน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 นายสารถีก็กราบทูลว่าขอเดชะนี้แหลเรียกว่าบรรปชิดอันนี้ก็ด้วยเทวานุภาพนะนายสารถีผู้สหายนี้หรือที่เรียกกันว่าบรรปชิตขอเดชะนี้แหล่เขาเรียกว่าเป็นบรรปชิตบันปชิตเนี่ยคือผู้ที่เว้นรอบเพราะเป็นคนที่มีความเห็นว่าการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นความดีการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นความดี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 สาธุนายสารธีผู้สหาย ด, ดีดีจริงนะนะที่บุคคลนั้นได้นามว่าบันปชิตดีแท้เพราะว่าการประพฤติ ธ, ธรรมคือสุจริตธธ ร, รมกายวาจาใจเนี่ยเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอทางกายวาจาใจเป็นความดี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 แล้วประพฤติอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณานี่แหละแหมดีแท้สาธุนะยอมรับเลยเออดีๆปกติมีแต่ซึมมีแต่เศร้ากันชราและมรณะจะไปโก้ร้ายเนี่ยนะนะจัดคนแก่มาเดินโชว์กันอย่างง้นะใครแก่ที่สุดอย่างงี้นะและใครเดินได้แมหน้าเกลียดที่สุดอย่างเง้เขาไม่มีใครเขาทำหรอกกันนะ มันก็อย่างนี้แล้วมันความแก่ความมันน่ารังเกียจแต่บอกแมมความประพฤติดีความประพฤติทําเพื่อให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยดีแท้ลูกความพิสูจนทั้งหลายนายสารธีก็รับคําสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วก็ขับรถไปทางบรนประชิตนั้นลูความพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีราชกุมารก็ได้ตรัสถามบันประชิตนั้นว่าสหาย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 พระโพธิสัตว์ก็บอกสหายท่านหรือชื่อว่าเป็นบรรปะชิตขอถวายพระพรถูกต้องอาตมาชื่อว่าเป็นบรรปะชิตเพราะการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นความดีประพฤติธรรมคือธรรมจริยาเนี่ยนะประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอสมจริยาประพฤติความดีด้วยกายวาจาใจเนี่ยเป็นความดีการประพฤติกุศลเจริจริยากุศลทางกายวาจาใจกุศลคือความไม่มีโทษเนี่ยนะ ความไม่มีโทษเนี่ยเป็นความดีการทําบุญบุญยะกิริยาทําบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นความดีการไม่เบียดเบียนคืออวิ่งอวิหิงสาอยู่ด้วยกรุณาเนี่ยเป็นความดีการอนุเคราะห์แก่หมูสัตว์เนี่ยนะด้วยเมตตาเนี่ยเป็นความดีมันก็อยู่ด้วยกุศลกรรมบดอยู่ด้วยเมตตาการุณาอยู่ด้วยศรรีลสมถะ ท, ทั้งหลายอยู่ด้วยพรหมิหารเนี่ยเป็นความดีแท้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 และการบรรปะชานั้นก็คงไม่เลวสามเป็นแน่ก็ได้เป็นการบวชอยู่ในศาสนาชั้นดีเป็นการบวชที่ดีแน่นอนเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแม้แต่พระวิปัสสีราชกุมารท่านยังทรงปลงพระเกศาพระมะสุขครองผ้ากาสาวพัสเสเ็จออกผนวดบวชเป็นบนรรพชีตทําไมเนอะพวกเราจะทําไม่ได้บังเล่าเนี่ยนะก็คิดว่าขนาดท่านยังทําได้ท่านเป็นกรรษัตริย์สุขุมารชาติอยู่ปราสาทสามฤดูได้รับการดูแลเป็นอย่างดี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 ที่มาแก่มาป่วยมาตายอยู่บัดนี้ชีวิตประจําวันมาจากเกิดแท้ๆสาวไปในลักษณะเนี่ยจิงอยู่เห็นคนแก่แล้วก็เห็นนึกเปเถอะเออมีคนเกิดก็นึกได้แค่นี้นึกนิดๆหน่อยๆไม่ได้นึกเป็นอาชีพหรองั้นเถอะไม่ได้นึกเป็นมรรคแปดหรองั้นเถอะไม่ได้นึกเพื่อจะเจริญมรรคแปดก็จะิญก็อย่างงั้นๆนะเนี่ยนะก็ไม่ได้นึกเพื่อจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้คิดว่าความรู้ความเข้าใจการใครค่ครวญสิ่งเหล่านี้เป็นทางเพื่อจะนําออกจากความทุกข์เนี่ยนะ แต่ของพระโพธิสัตว์นั้นมีการอย่างรู้ด้วยปัญญาเนี่ยนะก็เรียกว่าโยนิโสมนศสิการทำไว้ในใจโดยอุบายอันเย็บคลายเนี่ยนะการที่พระองค์ตรึกำชราและมรณะพระองค์คิดเรื่องชรามรณะนี่คิดว่าตัวเองเท่านั้นหรือคิดถึงสรรพสัตว์ทั้งหมดที่ชราและมรณะชรามรณะเหล่านั้นทั้งหมดมาจากความเกิดบทว่าโยนิโสมนสิการาทำไว้ในใจโดยอุบายเรียกว่า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 เท่าใดก็ยิ่งยึดถือเท่านั้นเมื่อ ย, ยึดถือเท่าใดก็กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็พลั้งพลูออกมาชาติชรามรณะก็เป็นไปเพรปัญตัญหานี่แหละเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานนั้นการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยได้มีแก่พระวิปัสสีโพธทิสัตว์เพราะพระองค์เนี่ยทาไว้ในพระไทยโดยอุบายอันแยบคายคือการที่ตั้งหลักแล้วค่อยๆสาวไปหาเหตุอนะสาวเหตุนาสาวหาเหตุ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 ที่มีนามมีรูปเนี่ยนะเป็นเป็นมหาภูตรูปสีมีภาษะเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะก็เกิดจากปฏิสนธิวิญญาณกรร ม, มวิญญาณนั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะดูความพิสูจนทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปสัสสีโสทิศเนี่ยนะก็ดำเนินเรว่าเมื่อวิญญาณมีอยู่อ่ะเมื่อวิญญาณมีอยู่ขออภัยเมื่ออะไรมีอยู่หนอวิญญาณจึงมีวิญญาณเนี่ยมีเพราะอะไรเป็นปัจจัย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 นามรูปนามรูปเป็นปจัจจัยจึงมีสลายยตนะสลายาตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัย จ, จึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัย จ, จึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณโโะโสกปริเทวทุกขโทมาัตและอุปาญาตก็มีพร้อมเพราะชาติเป็นปัจจัย ถ้าพูนับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไหลเรื่อยมาเกิดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาโดยลำดับรับกระทบเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานเมื่อมีตัณหาอุปาทานทากรรมเนี่ยนะนำมาซึ่งการเกิดผลออกมาก็คือความแก่ความตายความเศร้าโศกความคร่ำครวรบนเพ้อความทุกข์ทางกายความเสียใจความคับแค้นใจก็ไหลมาจากความเกิด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 ถ้าไม่เกิดก็คงไม่แก่อันนั้นก็เป็นโจทย์ที่ท่านคิดอยู่เรื่อยๆนยคิดไปเนี่ยความที่ท่านมีปัญญาเนี่ยท่านใคร่ควรวญอยู่อย่างนี้นอนอันะ้นไม่เที่ยวไหนไม่อะไรเก็บตัวเลยปิดห้องเลยสนมกำนันก็ไม่ค่อยได้เฝ้าทารมารยหรอกนะนะ่ยนะรอบๆจริงอยู่มากไปด้วยสนมกำนันแต่ว่าในช่วงที่เห็นเทวทูตกลับมานั้นแทบไม่ไม่นี้เลยนั่งคนเดียวยบๆคิดอยู่ว่าความเกิดเนี่ยเลวแท้ ความเกิดนี่ช่างน่ารังเกียจแท้คือท่านเนี่ยไม่เหมือนเราอะนะเรามาฉลองวันเกิดดีใจมากนะได้เกิดแต่ของท่านบอกว่าโอ้โหความเกิดนี่น่ารังเกียจแท้เนะนี่ยนะมันถ้าใครฉลองวันเกิดก็บอกว่า ส, สงสารสแสดงความกรุณาด้วยเนี่ยนะเพราะท่านเพราะที่เกิดมาแล้วต้องชรนะนาะก็เลยพระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าโอ้ยชรลาเหตุการณ์ก็ผ่านไปหลายปีหลายร้อยปีหลา ย, า ย, ลายพันปีอีกสารธีก็จัดให้เที่ยวสวนอีก ตอนนั้นท่านก็คิดว่าเออแก่แต่สุขภาพก็แข็งแรงสุขภาพก็แข็งแรงเท้าสุททาวาสมหาพรหมเนี่ยนะก็เนรมิตรให้เห็นคนเจ็บเนี่ยนะนะนะคนเจ็บที่ท่ป่วยมากเลยนะป่วยขนาดไหนป่วยมากถึงขนาดเรียกว่าจมอุจจระปัสสวะจะต้องคอยพยุกคลุกพยุกพยุงให้ลุกขึ้นต้องป้อนอาหารเหนนั้นะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้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 การปกครองบ้านเมืองทั้งหมดอยู่ที่พระาราชาพระองค์ก็สเสวยสมบัติท่านบอกว่าดุจเทพเทพกุมารดุจเทพพระบุตรหนุ่มเนี่ยนะที่มีความสุขอยู่ในราชสมบัติท่านไม่มีเรื่องอื่นให้วิตกกังวลเลยมากังวลเรื่องครอบครัวหรือบอกก็ไม่มีเพราะมเหสีของท่านเนี่ยก็ตามใจท่านทุกอย่างเนี่ยนะคือท่านเป็นผู้ที่มีคนรักเลยทุกคนรักท่านหมด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 อย่างแข็งแรงมากเอออ่านพระไตรปิฎกเลยองเี้ยโอ๊ยไปมีธุระอย่างอื่นให้ทำตั้งเยอะแยะไปไหนไม่ไหวก่อนนั้วก็อยู่บ้านอ่านพระไตรปิฎกอย่างเง้ยนะมันส่วนใหญ่มันคือว่าแทนที่จะเอาสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงน้อมไปเพื่อเจริญกุศลบอกไม่น่นแหละแทบจะถางตาลืมเรียกว่ายกเปลือกตาไม่ค่อยจะขึ้นนั่นแหละรึงก็เริ่มอยากจะอ่านพระไตรปิฎกนี่ยนะไอตอนที่แข็งแรงเอาไปอ่านอย่างอื่นหมดอย่างเงี้ยนะคล้ายๆแบบนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านท่านมีความคิดเลยว่า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 บางคนนี่พอได้ยินเสียงดังนิดหนึ่งมันแสบเข้าไปถึงแก้วหูเลยเหมืนอนกันดันหูที่เราได้ยินเสียงอยู่เนี่ยก็พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะป่วยจมูกที่เรารับรู้ว่ามีกลิ่นหอมเดี๋ยวก็หายใจไม่ออกเดี๋ยวจมูกตีบจมูกตันเดี๋ยวก็หวัดน้ำมูกไหลเยิม้มอยู่นั่นแหละแล้วลิ้นทั้งหลายที่ว่ารสอร่อยเดี๋ยวก็เป็นแผลผุพองในปากแม้กระทั่งหลาไปในปากโรคฟันทั้งหลายก็จะเข้ามาร่างกายทุกส่วนพร้อมที่จะมีโรคภัยไร้ต่างโรคผิวหนัง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 ว่าจีสมาจารที่ไม่มีโทษมโนสมาจารที่ไม่มีโทษอันนี้เป็นความดีโอเคแต่อ่าข้างก็บอกเขาไปเอกว่าการประพฤติอยู่ด้วยการประพฤติที่เป็นบุญบุญยะกิรยิยาการทําบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นความดีแล้วก็เคสเลยต่อไปเอกว่าการประพฤติอวิหิงสายะอยู่ด้วยความกรุณาไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลาย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 ไล่ตั้งแต่เป็นสัตว์นรกจนถึงเท้ามาหาพรหมเนี่ยเวียนไหวาตายเกิดนรกเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาพรห ม, มมนุษย์อ่าพรหมเทวดามนุษย์เดรัจฉานอบายนรกเปรตอสุรกายวนเวียนเวียนนอยู่อย่างในในพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิฏฐิเจดสัตวาวาส9เมื่อเห็นความอย่างนี้เข้าก็บอกว่าโอ้สัตว์มูสัตว์เนี่ยที่เวียนไหวาตายเกิดเนี่ย เวียนไหวตายเกิดเพราะอะไรพระองค์ก็น้อมไปเพื่อเห็นจุตูปปาตยานเห็นหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนะว่ามูสัตว์นั้นเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั่นนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละเป็นเหตุให้สัตว์จุติและอุบัติเป็นเหตุให้สัตว์จุติและปฏิสนธิเป็นเหตุให้จุติและปฏิสนธิพระองค์ก็พิจารณาต่อไปอีกว่า แล้วจุติปฏิสนธิทั้งมันก็มีอยู่กลุ่มที่มีเ ล, เลวประณีตผู้ที่ได้ดีและผู้ที่ตกยากผู้ที่มีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณสามเป็นต้นพันได้ดีคร่าวะได้ดีก็ตกยากก็มากควาว่าโมหะมา ก, ม ห, ามากหรืออัโมหะมากเดือดร้อนเรื่องอาหารหรือไม่เดือดร้อนได้ดีหรือตกยากเพราะโลภะหรืออัโลภะ น, น, นผิวพัน์ดีหรือผิวพันธ์สามก็โทสะหรืออโทสะเนี่ยนะก็พิจารณาสาเหตุมูลเขาเพาะะนันหมูสาสตว์ที่ปฏิสนธิที่มีความแตกต่างกันอย่างนี้มาจากกายะอะไรกายสุจริตกับกายถุจริตก็เห็นเลยว่าผู้ใดที่ประพฤติกายสุผู้จิตวจีทุจริตมโนทุจริต ติเตียนผ้าเรียเจ้าทํากรรมด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปก็เข้าสู่อาบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกเป็นต้นนะพระองค์ก็เห็นหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอีกว่าหมูสัตว์เหล่านี้ผู้ประพฤติกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะไม่ติเตียนผ้าเรียเจ้าเป็นสัมมาทิฐิกระทํากรรมด้วยสัมมาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์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 น, นะมีจุติมีอุบัติในภพสามก็เห็นเลยความจุติอุบัตเนี่ยนะันถ้าเป็นสมัยใหม่เปรียบง่ายก็เหมือนกับว่าผู้ที่ยืนอยู่ในที่สูงมองเห็นการจราจรเนี่ยนะเป็นปายจุติและอุบัติในภพสามกำเนิด4ี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตตาวาดเก้านี่ทั้งหมพี่ารณาอย่างนี้บทสรุปถึงตีสองว่างนงความมาคิดต่อไปอีกว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรกันไอ้ทั้งหมดอันนี้เนี่ยนะ แต่ว่าบทสรุปของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนไหวตายเกิดก็บอกว่าลูกนี้ถึงความยากแท้นะถึงความยากถึงความลำบากแท้ย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมเวียนตายเวียนเกิดก็เออแหละเพราะบุคคลไม่รู้ชัดถึงอุบายเครื่องผลทุกข์คือชราและมรณะที่ย่อมเวียนไหวตายเกิดที่จะต้องตายเกิดเวียนเกิดเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดเนี่ย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 ตอนแรกก็เกิดพระปริวิตกตั้งเป็นโจทย์ขึ้นมาก่อนว่าชรามรณะมีเพราะอะไรมีชรามรณะมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยตอนนั้นเนี่ยนะปัญญาการโยนิโสมนสิการก็เกิดขึ้นท่านค่อยๆสายใส่ใจหรือว่าโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นก็มีปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้เนี่ยนะอหุปัญญายะอภิสมายาการตรัสรู้ด้วยปัญญาการตรัสรู้ด้วยปัญญาก็เกิดขึ้นว่าเมื่อชาติมีอยู่ เชรามรณะยังมีแล้วก็โยนิโสมนัสิการตั้งเป็นโจทย์ต่อบไปเอกว่าชาติมีเพราะอะไรมีก็โยนิโสมนัสิการเกิดปัญญาตรัสรู้ไปเอกว่าชาติมีเพราะพบมีโยนิโสมนัสิการใคร่ครวญก็เกิดปัญญาพิจารณาต่อบไปเอกว่าพบมีเพราะอุปาทานมีนะโยนิโสมนัสิการเกิดปัญญาตรัสรู้ขึ้นว่าอุปาทานมีก็เพราะมีตันหาแล้วตันหามีเพราะอะไรมีก็ใคร่ครวญต่อไปก็เห็นว่า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 ก็ถ้าสาวไปอีกว่าปฏิสนธิวิญญาณมาจากไหนก็มาจากภพนั่นเองภพมาจากไหนก็มาจากก็มาจากอุปาทานอุปาทานมาจากตันหาสาวไปแล้วไม่มีจบมีสิ้นนะแต่ว่าสรุปว่าชีวิตในอดีตที่ผ่านมาอยู่ด้วยอวิชชาตลอดไม่เคยเห็นอริยสัจไม่ได้ตรัสรู้ธรรมที่นําออกจากชราและมรณะเมื่อไม่ตรัสรู้ธรรมที่นําออกจากชราและมรณะมันก็ไม่มีการพ้นจาก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 อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตบทสรุปที่ผ่านมาแห่งสังสารวัตทั้งหมดก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมเป็นสังคตะธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมที่ถูกปจัจจัยสรรสร้างแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นแต่กองทุกข อ น, นะอิมาสะเกวรสสะทุกขขันธสะเป็นแต่กองทุกขหามีสิ่งใดอยู่ในนั้นไม่หามีศัตว์บุคคลเป็นต้นเหล่านั้นณนที่นั้นไม่มีแต่กองทุกกองทุกข ท, ที่เป็นไปตามเหตุและเป็นไปตามปัจจัยไหลสืบเนื่องกันไปเพรา ะ, ะชรามอโสกปริเทวะทุกขโทมณัตอุปายาตเกิดจากชราและมรณะชรามรณะเกิดจากชาติชาติเกิดจากพบพบเกิดจาก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 ที่เกิดก็เกิดอย่างนี้ที่แก่ก็เป็นแก่ความแก่อย่างนี้ที่จุติอุบัติเวียนจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เป็นแต่กองแห่งทุกข์นะความที่พระองค์เนี่ยมีปัญญาตอนหลังพระองค์ก็มาบัญญัติว่าทุกเหล่านี้คืออะไรคือขันทุกเหล่านี้คือท่าทุกเหล่านี้คืออายตนะทุกเหล่านี้คือเรียกว่าหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามที่เรียกว่าแนวปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น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 ทุกอย่างนี้แล้วมันเป็นใครเป็นของใครมันก็ไม่ใช่ฉันจึงว่างเปล่าศูนย์จากความเที่ยงศูนย์จากความสุขแล้วก็ไม่ใช่อัตตาแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาไม่ใช่บริขารของอัตตาอะแล้วมันคืออะไรมันก็คือกองทุกขออ์หวังนั้นเถอะอย่างสมมุติถ้าเราเอาลูกเหม็นมาก้อนหนึ่งที่มันเหม็นตลบอบอวลไปหมดเนี่ยนะเอาเหม็นก็จริงแหละถามว่าลูกเหม็นนี่มันใครอะ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 อ้ยกลิ่นมันโชยมาเนี่ยนะ ต, ตามชนบทเนี่ยกลิ่นมันโชยมาเนี่ยอย่างเอ้ยอาหารมื้อ น, นั้นนี่ไม่อร่อยเลยกล้ามกลืนฟืนใจฉันเหมืนกันเนี่ยนะอ๋ออันนะ้นถ้าลูกเหม็นลูกอะไรคนเข้าห้องน้ําก็ยังสู้เข้าไปใช่ไหมไอ้อ้ น, นี้ไม่ไหวเลยนะมันก็เป็นอย่างนี้นมันจะจะเรียกว่าอะไรมันเรียกว่ากองทุกแท้ๆเลยนะกองทุกรุนๆที่มันไหลเวียนเวียนไปในกระแสแห่งสังสารทุกข์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 คืนสู่ภาวะปกติได้เหมือนเดิมหมดเออมันขนาดนั้นเลยนะพอพูดอีกเออใช่ใช่เลิกพูดอีกก็ปกติอีกนั่นอย่างเงี้ยมันอินรีย์มันอ่อนนะนะสัตตินรียก็อ่อนลิลินรียก็อ่อนสตรินรียก็อ่อนตันยินรียก็อ่อนสมาตินรียก็อ่อนมันอ่อนไปทุกอินทรีย์เว้นแต่จากขุนซีเนี่ยนะจากขุนซีนี่ไม่อ่อนนะโสตินรียก็ไม่อ่อนคาณินทรียก็ไม่อ่อนชิวหินรียก็ไม่อ่อนกายินรียนี่ก็โอ๊ยหยาบกระด้างไปหมดแล้วไม่อ่อนละ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 นะเมื่อมีโยนิโสมนาสการการตรัสรู้ด้วยปัญญาก็เกิดขึ้นแต่ท่านเอาผลมาตั้งแล้วว่าชารามรณะนี้เกิดจากอะไรแล้วสาวไปหาปัจจัยว่าชารามรณะเกิดจากชาตินี่ถ้าชารามรณะจะดับนะหมายคืาว่าจะสูญจะสิ้นจะดับไม่มีเหลือเลยเนี่ยไม่มีชารามรณะโดยประการทั้งปวงนั้นอะไรต้องไม่มีก็บอกว่าชาติไม่มี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 ชาติจะดับเนี่ยเพราะอะไรดับถ้าจะดับชาติได้เนี่ยต้องดับอะไรก่อนอ น, นะเพราะเพราะโยนิโสมนสิการใส่ใจอย่างเย็บขายะกะครับว่าค่อยๆไล่ปิดไปเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าถ้าปั จ, จัยเหล่านั้นเหล่านั้นปั จ, จัยก่อนๆเหล่านั้นสูญสิ้นดับไปเนี่ยนะก็ถ้าสิ่งนั้นดับไอ้คำว่าดับนั้นไม่ใช่ดับแบบเราคิดไม่ใช่นับถิปัจจัยไม่ใช่แปลว่าไม่มีศูญสูญว่างๆไม่ได้เป็นแบบนั้น อันนะั้นคำว่าถ้าชาติไม่มีเมื่อพบไม่มีชาติไม่มีตรงนี้ไม่ใช่นับถีปัจจัยนะนะานับถิปัจจัยหมายคราบว่าถ้าหมดคือถ้านับถิปัจจัยเนี่ยนะอย่างไรเสียพบที่เป็นปัจจัยกับชาติพบที่เป็นปัจจัยกับชาตินั้นเมื่อเกิดขึ้นก็ดับไปไม่ใช่นับถิปัจจัยไม่ใช่ภาวะปฏิเสธแค่สักว่าไม่มี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 ดูก่อนพิสูุทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปสัสสีโพธิสัตว์ก็ได้มีพระดำริต่อไปอีกว่าเพราะอะไรหนอะไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะอะไรดับตัณหาจึงดับเออถ้าจะดับตัณหามันต้องดับอะไรก่อนดูก่อนพิสูจน์ท้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาเพราะโยนิโสมนัิการเนี่ยนะได้มีได้เกิดความรู้ขึ้นมาว่า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 แต่ก็คิดว่าเออพอแล้วพอแล้วเออถ้าภาษาดับนะถ้าไม่เห็นซักมันก็ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกอะไรว่าโอ้นิพานทำไมมันง่ายขนาดนั้นใช่ไหมถ้าไม่ต้องภาษาซะถ้าไม่เห็นซักเราก็ไม่ต้องเก็บใจถ้าไม่ได้ยินซะเราก็ไม่ต้องไม่สบายใจถ้าไม่เป็นไม่ต้องเก็บมาคิดซักเราก็เลืเราก็สบายใจแล้วเออนิพานมันแก้กลายเป็นว่าแก้ตัวไปวันวันหนึ่งนะไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเพราะนั้น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 ปีติปีติเป็นเหตุแห่งปัจสถานะปัจสถานะเป็นเหตุแห่งสุขสุขเป็นเหตุแห่งสมาธิสมาธิเป็นเหตุแห่งยะถาภูตยานทัศนะยะถาภูตยานทัศนะเป็นเหตุแห่งนิพพิทาวิราคะตัววิราคานี่แหละที่ไปแทงตลอดว่าถ้านามรูปไม่มีวิญญาณย่อมไม่มีนีนะมันก็เป็นคุณธรรมชั้นสูงมากนะคือในพุทธพจน์เหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วซ่อนอะไรอยู่ในนั้นเยอะมากนะ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 เพราะแทงตลอดแล้วอย่างนี้ว่าเพราะนามรูปดับด้วยอริยมรรควิญญาณจึงดับนะวิญญาณาเรียกว่าอนามรูปดับวิญญาณจึงดับบทอันหนึ่งในบทนี้ท่านแสดงถึงนิพานเท่านั้นด้วยปฐมาวิพัฒน์ว่าวิญญาณนิโรธโเป็นต้นมันคําว่าวิญญาณนิโรธโเนี่ยน ะ, ะเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับอันเนี้ยนิโรธวิญญาณนิโรธตัวนั้นเป็นเชื่อของ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 เพราะฉะนั้นขอให้ท่านบอกให้ผมผมเข้าใจอย่างที่ท่านบอกแล้วที่เหลือผมจะไปทำผมเองงั้นการปฏิบัติทั้งหลายก็ต้องเป็นอย่างนั้นการศึกษาพระธรรมทั้งหลายก็ต้องเป็นอย่างนั้นใส่ใจได้อย่างนั้นถ้าใส่ใจได้ตามนี้แต่สรู้ได้ก็ ก, ก, ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่ทีนี้ถ้าเราอยากคิดว่าเราเข้าใจได้นะเข้าใจโดยสุตตมายญาณระดับหนึ่งก็แล้วค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนเป็นสีลมายญาณสมาธิภาวนามายญาณปัจจปริคหายา น, ยายานเพิ่มพูน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 เมื่อแทงตลอดพระนิพพานนั้นแหะอวิชชาดับนั่นแหะเวทนาจึงดับนะตัณหาดับเวทนาจึงดับกรรมดับเวทนาจึงดับภาษาดับเนี่ยนะตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับภาษานั่นแหะเวทนาจึงจะดับแล้วก็เวทนาเองก็มีวิปริณามลรักษณะเนี่ยนะดังนี้สัญญาเนี่ยนะดังนี้สัญญาก็รูปประสัญญาสัทธาสัญญาคันธาสัญญารสสัญญาโพธภาษัญญา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 วิปัสนาญาณก็เจริญขึ้นนะนะวิปัสนาก็คืออะไรปฏิปทาญานนณลัศนะวิสุท ธ, ธิก็เจริญขึ้นตามลําดับเสร็จล้จิตก็ไม่ยึดมั่นในความเกิดนะพ้นจากกิเลสกล่าวคืออาสะวะดับสนิทด้วยอนุป ะ, ะนิโรธก็คืออนุปาถะหมายถึงแทงตลอดพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับอาสะวะโดยสนิทจิตนั้นชื่อว่าย่อมพ้นในขณะมรรคพ้นแล้วแลในขณะผลคือรหัตผล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 ข่าใครเกิดเป็นโอปปาติกะโดยประการทั้งปวงก็แทงตลอดแล้วก็แทงตลอดยานที่กําหนดคติหเนี่ยนะานที่แทงตลอดคติหก็คติหคติที่เกิดในนรกคติเดรฉานคติในปิติวิสัยคติมนุษย์และก็คติเทวดาพันพระองค์ก็ตรัสรู้ยานที่ทำให้เกิดในคติทั้งหและข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่คติห้า องก็ได้อะสาธารณียานหก็คือยมกะปาฏิหาริยยานมหาการุณาสมาบัติยานอาศยานุสยาญานอินตริยปโปรปริยัติยานสัพพัญยุตยานและอนาวารณายานเนี่ยนะอ่สาธารณียานยานเป็นที่แทงตลอดของพระพุทธเจ้าเป็นญานที่ไม่ทั่วไปแก่พระสาวกทั้งหลายและในที่สุดพระพุทธคุณทั้งมวลก็ตกอยู่ในเงื้อมพระหัตของ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 ทำให้สัตว์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาสามวิชาแปดสมบูรณ์ด้วยจรณะข้อปฏิบัติทั้งสิบห้าเจรณะสิบห้าที่นำให้แทงตลอดพระนิพพานพระองค์ก็เป็นผู้ที่ไปดีแล้วเพราะพระองค์ไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเนี่ยนะไปสู่อสังขตะธรรมไปเพื่อตรัสรู้พระนิพพานไปตามไปแล้วไม่ย้อนกลับมาหาบาปอากุโสลธรรมที่ละอีกต่อไป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 เพื่อประโยชน์แก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองอันพระองค์ก็ได้กิติศัพท์อันงามพระพุทธคุณทั้งหลายของพระองค์ก็เจริญขึ้นบริบูรณ์ขึ้นชื่อเสียงของพระองค์ก็ขจรขะจายไปเนนะในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายว่าพระองค์เป็นผู้ที่รู้แจ้งโลกเนียพระองค์ผู้รู้แจ้งโลกสังขารโลกสัตว์โลกและโอกาสโลกเนะนะพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีผู้ใดมีคุณธรรมยิ่งไปกว่า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 แทนที่แข็งแกร่งประดุษเพชรพระองค์ก็เสวยวิมุติสุขนะวันที่แปดพระองค์ก็พิจคืนที่ที่เจ็ดนะคืนของวันที่เจ็พระองค์ก็พิจารณาปฏิจจสมุบาททั้งตลอดปฐมยามมัชชิมยามและปัจฉิมยามปฐมยามพิจารณาโดยอนุโลมมัชชิมยามพิจารณาโดยปฏิโลมปัจฉิมยามก็ทั้งอนุโลมและปฏิโล ม, มก็เปล่งพุทธอุทาน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 เพื่อราลึกถึงคุณของสถานที่ที่เป็นเหตุให้ได้ตรัสรู้หลังจากนั้นก็ประทับณเรือนแก้วเลือกเฟ้นพิจารณาพระพิธรรมเ น, นอีกเจอีกเจดวันเนี่ยตลอดสัปดาห์ถ่ดจากนั้นพระองค์ก็ไปประทับที่โคนต้นต้นไทรเนี่ยนะต้นกล้ยไทรที่พวกคนเลี้ยงแพะพักอยู่อีกหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ไปประทับที่ต้นมุจลินอีกเจ็ดสัปดาห์ไออีกหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ราชายาตนาอีก ตลอดสัปดาห์ลูกจากนั้นสัปดาห์ที่แปดก็กลับมาประทับนั่งที่อชลปาลนิคโครตคือต้นไทรเนี่ยนะต้นไทรที่ประทับนั่งเมื่อสัปดาห์ที่ห้าอีกครั้งหนึ่งถัดจากนั้นมาพระองค์ก็จะมีปริวิตรตกหมดเวลานั้นนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยนะดูความพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี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 รู้ตามได้ยากสงบประนีตจะคาดคะเนหรือกะกะเอาไม่ได้ละเอียดแต่ก็รู้ได้เฉพาะในหมูบัณฑิตเนี่ยคือเป็นธรรมที่ไม่ใช่ถ้าจะกล่าวไปแล้วไม่ใช่ของสาธารณะกับหมูสัตว์ที่ทั่วๆไปที่ขาดปัญญาแต่เป็นธรรมะที่รู้ได้เฉพาะในเวดวงของบัณฑิตทั้งหลาย ส่วนหมูสัตว์นอกนี้นะก็คือหมูสัตว์ที่อื่นจากบัณดิตเนี่ยนะมีอาไรเป็นที่มายินดีก็คือคำว่าอาไลนั้นเป็นชื่อของกามคุณทั้งหลายเนะี่ยติดในกามคุณเรียกว่าอาไลนะด้วยอำนาจแห่งตันหาเรียกว่าเอ่อเพลิดเพลินยินดีในกามมคุณด้วยอำนาจตันหายินดีแล้วในอาไลเบิกบานแล้วในอาไล ยินดีอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ใช่ยินดีธรรมดานะเบิกบานมีความสุขมากอนะมีความสุขที่ได้เห็นมีความสุขที่ได้ยินมีความสุขที่ท่องเที่ยวมีความสุขในทุกทวารเหมือนกันเถอะมีแต่ความเอิบอิ่มใจมีแต่ความฝักใฝ่มีแต่ความใฝ่ฝันที่จะรับสัมผัสในทวารทั้งหกปรารถนาแต่จะเห็นยิ่งยิ่งขึ้นไปปรารถนามีแต่จะฟังยิ่งยิ่งขึ้นไปในเรื่องของกามมกุลทั้งหลายเพราะฉะนั้นหมูสัตว์เหล่านี้จึงเป็นผู้ที่ มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรเบริกบานแล้วอะไรมันคนที่มีใจให้แก่กามทั้งหลายหมดแล้วเรียกว่ายกใจให้รูปให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้โพธพภะทั้งหลายเนี่ยหมดตัวแล้วว่า ง, งั้นนถอะยากที่จะได้เห็นฐานนะคือปฏิจจสมุปบาท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 โสมนัสพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกและโทมานัสก็คือกล่าวกันคนละอย่างนะนะกล่าวกันคนละเรื่องมีความเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอีกคนหนึ่งชี้ขึ้นอีกคนหนึ่งชี้ลงเนี่ยนะอีกคนหนึ่งส่องให้เห็นสว่างอีกคนหนึ่งสรนเสริญแต่ความมืดนะนะอีกคนหนึ่งสันเสริญสติสัมปชัญญะอีกคนหนึ่งสรนเสริญความมัวเมาอย่างสมัยนี้ใช่สรนเสริญความมัวเมาและความลุ่มหลงทั้งหลายพรมันก็เป็นยุคที่สันเสริญอวิชชา ก็สั่งสรรเสริญตันหาสรรเสริญโทสะสรรเสริญอวิชชาเป็นจิกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดราคะทวสะและโมหะทั้งหลายการที่จะเข้าใจสภาพตามความเป็นจริงเนี่ยจึงเป็นของยากยากที่จะได้เห็นซึ่งฐานะแม้นี้คือพระนิพพานยากนะที่จะได้รู้จากพระนิพพานพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่สงบประงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นเป็นธรรมที่สงบประงับสังขาร เป็นธรรมที่สลัดออกจากอุปัติทั้งปวงที่สลัดออกจากขันขันทูปฏิกิเลสูปฏิเนี่ยนะพระนิพพานเป็นธรรมที่สิ้นไปแห่งตันหาพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่คลายกำหนัดพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับทุกข์ก็คือนิโรสัจจะเนี่ยนะยากที่เขาจะได้เห็นแปลว่าไอ้คาว่าเห็นเนี่ยเป็นชื่อของอริยมรรคเขาเนี่ยมีทุลีคือกิเลสเนี่ยนะในดวงตาเนี่ยมาก มันเมื่อทุลีฝุ่นละอองเนี่ยนะเหมือนกับว่าฝุ่นละอองเนี่ยเต็มเบ้าตาไปหมดมันเป็นฝุน่นที่มียาพิษอ่ะนะเรียกว่าเอามาปโปะตาเอาไว้ก็ายากที่จะเห็นความจริงเขาโมแต่คันในตาอย่างนั้นแหละโมแต่คันตาโมแต่ตาพร่าโมแต่ตาเสียโมแต่ตาเรียกว่าโมแต่ทุกโมแต่ร้อนก็ยากแท้ที่จะได้เห็นจากความจริงยากแท้ที่จะได้เห็นปฏิจจสมบาติ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 นั้นเพ่งเป็นความลำบากแก่เราเหนื่อยฟรีแนใ่งานนี้อย่างนั้นนะนะก็คือมันได้อะไรบ้างะถ้าคิดว่าเออเขาจะได้ถวายบิณฑบาตเอา้าไม่ใช่ว่าเดือดร้อนเรื่องนั้นจะได้มีที่อยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอีกมันจะเห็นแก่อะไรเนี่มันนี่อุตส่าห์เรียก อ, อะไรนะมันยากก็่ยากลึกซึ้งกว่าลึกซึ้งเขาก็มีใจเป็นอื่นด้วยไปพูดในสิ่งที่เขาไม่สนใจแล้วให้เขาฟังถ้าเขาไม่รู้มันนี่เหนื่อยฟรีเหรอเนี่ยระยะเป็นการเหนื่อยความลำบากแก่เรา นั่นจะเป็นเป็นความเดือดร้อนแก่เราเนี่ยนะดูก่อนพิสูุทั้งหลายได้ยินว่าคาถาทั้งหลายที่อัศจรรย์ น, น้อยซึ่งพระองค์ไม่เคยได้สดับมาแล้วแต่ก่อนได้แจมแจ้งนะหมายว่าเกิดไอเดียขึ้นมาไอเดียอย่างนั้นะแต่เกิดความคิดขึ้นมาหนึ่งความคิดที่พระองค์คิดขึ้นว่าบัดนี้ไม่ควรเลยที่เราจะประกาศอริยสัจธรรมที่เราได้บรรลุแล้วโดยแสนจะยากอนะ่างนั้น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 ในอะไรคือกรรมคุณห้าเบิกบานไม่มีความสุขอยู่กับกรรมคุณห้าเรียกว่าเบิกบานแล้วในอะไรไม่เคยเครียดเสียใจในกรรมคุณห้าเลยอาหารนะก็ทานอาหารอร่อยนิ่งๆงีง้เลยไหมหมักไม้โอ้เบิกบานเงียๆแจ่มใสสดชื่นไปหมดเลยก็อันหมุสัตว์ผู้มีอะไรคือกรรมคุณห้าเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไร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 ถ้าเขาถูกลูกสอนคือตัญหาเป็นต้นเสียดแทงลูกสอนคือวิชาเป็นต้นเสียดแทงถ้าเราไม่ช่วยเขาแล้วใครจะช่วยอานะก็อาศัยกรุณาเนี่ยนะมหากรุณาสมาบัติยานที่พระองค์เจริญเห็นความทุกข์ความยากความลำบากความเดือดร้อนความเร่าร้อนเนี่ยนะของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตรวจดูลูกด้วยพุทธจักโุทั้งหลาย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 องก็จำแนกแยกกลุ่มของสรพสัตเปรียบเหมือนในกออุบลกอบวัวหลวงหรือกอบวัวขาวดอกอุบลดอกบัวหลวงหรือดอกบวัวขาวดอกบัวเหล่านั้นเกิดแล้วในานา้ําเจริญแล้วในน้ํานา้ําหล่อเลี้ยงอุปถัมภ์เอาไว้นะพวกบัวทั้งหลายก็บัวทั้งหลายเหล่านี้ก็บวับวบัวน้ำ嘛นะบัวบางเหล่า ย, ยังจมอยู่ภายในานา้ํา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 หมายขามว่าถ้าตรัสรู้นิพานใโกงกิเลส ท, ทั้งหมดก็ถูกสลัดทิ้งไปแปล ว, ว่าความเศร้ามองทุกชนิดถูกละไปตัญหาทั้งปวงหมดไปกิเลสราคะก็ศูนย์สลายไปสงบระงับดับทุกทั้งปวงไปได้เพราะอนุภาพแห่งพระนิพานพระนิพานจึงชื่อว่าสัพพูปัติปฏินิสโคทำเป็นที่สลัดออกจากกิเลส ท, ทำเป็นที่สลัดออกจากตันหาทำเป็นที่สลัดออกจาก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 ว่าเจะเอาหนสือไปแจกให้จะแจกว่ายังไงนาะองเ้ยค่ะค่ะแบบนี้นะโหยากเหมือนกันนะเอาไว้ก่อนดีกว่าก็จะให้ให้ไม่ให้ให้ไม่ให้แทบจะจับไม่สั้นไม้ยาวบางทีก็ไปเกือบเถืงแล้วไม่ให้ดีกว่าอย่างง้นะเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างงั้นแหละบอกว่าเขาบอกเาไม่มีเวลานะไปบางคนบอกเขาไม่สวดหรอกเขาไม่ชอบสวด่างเ้เขาไม่มีอัธยาศัยในการสวดบอก่พอบอกว่าโอ้สวดมนต์เถอะบอกแม่งเงียบเลยนะบอกเพิเจอกันต่อเถอะอย่างเงี้ยตื่นเต้นน่าดูเลย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 แสดงว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่ลึกซึ้งพิจารณาจนแผ่นดินไหวเหมือนนั้นเพราะฉะนั้นแม้คนเช่นเราอย่างรู้ยัง ร, งรู้แจ้งแทงตลอดทำนี้ด้วยญาณที่ขนาดปัญญาขนาดนี้ทำมาขนาดนี้อย่างรู้ได้ยากถึงเพียงนี้มหาชนชาวโลกจะรู้แจ้งแทงตลอดธรรมนั้นได้อย่างไร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 อาสยานุสยยะยานยานทั้งสองนี้เป็นชื่อของพุทธจักรสุขเสร็จแล้วพระองค์เนี่ยข่าแต่พระองค์ผู้มีดวงจักรสุโดยรอบก็คือสัพพัญยุตยานสมันตาจักขุเป็นชื่อของสัพพัญยุตยานถ้าธรรมจักรสุหมายถึงโสดาปติมัคสกธาคามิมัคและอนาคามิมัคคำว่าจักรสุเนี่นะมีมังสะจักรสุไม่ต้องพูดถึงตาตาเนื้อธรรมนาไม่ต้องพูดถึงตาทิพก็ไม่ต้องพูดถึงทีนี้อ เรามาพูดถึงเฉพาะอะไรตาปัญญาตาปัญญาคืออะไรพุทธจักสุสมนตะจักสุธรรมะจักสุอันนี้เน้นพิเศษของพระพุทธเจ้านะพุทธจักสุคืออินทรียะโปรปริยตญาณและอาศยานุสญยาณสมันตะจักสุคือสัพพัญญุตญาณธรรมะจักสุคือมรคยานสามเบื้องล่างอนนี้ทีนี้พระองค์ก็ใช้อนุภาพของพุทธจักสุตรวจดู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 ต่อให้ทรงพระไตรปิฎกก็บรรลุไม่ได้พวกนี้เรียกว่าปฐาะะประมะแต่ชาติหน้าบรรลุเร็วกันนะพ อ, อมามองไม่หนักใจรับชาตินี้มับรรลุชาติหน้าก็น่าจะบรรลุเร็วกว่าพวกเลยก็เลยเอาโอเคแล้วใช้ได้แล้วอันนั้อะไรน ะ, อะรนะบอกว่าตุ๊ยชาตินี้นะสอบอะไรเหมือนกับเข้าเรียนห้องนี้มันตกว่า ง, งั้นแต่แต่ห้องใหม่นะเราได้ที่หนึ่งแน่อะไรคล้ายๆคิดแบบเนี้นะระหว่งระยะ ย, ยาวก็ได้อย่างงี้ก็ได้นะมันทำยังไงอ่ะมันทําไม่ได้เกือบสอบได้อย่างเงี้ยนะก็แปลว่าสอบตกเลย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 บาลเลยถ้าพวกวิปัญจิตันยูก็เหมือนกับว่าบัวเปริ่มน้ําอ่ะนะจะต้องบรรลุพรุ่งนี้นะนะั่นแหละถ้าหากว่าพวกอบัวที่อยู่กลางน้ําพวกนี้ก็เหมือนกับว่าโอยอีกนานอีกหลายวันจะได้บรรลุส่วนพวกปะ่ะธ ป, ปรามะพวกนี้ก็ตายฟรีเหมือนกันเถอะก็เหมือนบัวที่เป็นอาหารของปลาและเต่าเสียไปอีกหนึ่งชาตินะ่ะนะแต่ก็ชาติต่อๆไปนะถ้าศึกษาเอาไว้แล้วชาติต่อๆไปก็บรรลุง่ายพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่สร้างบารมีก็พวกจะช่วยพวกปะ่ะธปรามะในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอ่ะนะ บอกเอางี้ลก้กันรุ่นปธา ป, ประมะในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะมาสู่องค์นี้แล้วกันเดี๋ยวองค์นี้จะสอนให้พวกปธา ป, ประมะองค์นี้เดี๋ยวพุทธเจ้าองค์หน้าจะช่วยพวกปธา ป, ประมะองค์ข้างหน้าอุอ้ยองค์ข้างหน้าต่อไปจะช่วยเ น, นี่ยนะขอให้ได้ศึกษาเถอะโอกาสมันมีอยู่แล้วละ่ะแต่เมื่อไร่อีกเรื่องหนึ่งนะท่านแบ่งประเภทถึงพวกว่าอุคติตัญยูวิปัญจิตันญูเนี่ยนะดังที่กล่าวแล้ว พระพุทธเจ้าเนี่ยนะแสดงธรรมเพื่ออุคติตันยูวิปัญจิตันยูในัยะบุคคลเพื่อให้เขาได้บรรลุในชาตินี้ถ้าพวกปะทะประมะก็เป็นบุญเป็นวัสนะเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยที่จะได้ตรัสรูม้มรรคผลนิพพานต่อไปในอนาคตเนี่ยนะถ้าข้าพเจ้ายังเป็นผู้อาพาพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารเนี่ยนะพวกนี้แหละพวกปะทะประมะ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 พวกนี้เลยเรียกว่าพวกอภัพ菩萨 น, นะส่วนพวกพวกพัพก菩萨ผู้ที่พอบรรลุได้ก็ไม่มีกรรมเหล่าใดเป็นเครื่องกั้นเลยเนี่ยนะไม่มีกรรมเป็นเครื่องกัน้นไม่มีวิบากเป็นเครื่องกัน้นไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกัน้นเป็นผู้ที่มีศรัทธามีความพยายามฉลาดสา ม, มารถที่จะปฏิบัติเพื่อทำอเพื่อเจริญโสดาปติมัคให้สาเร็จได้เจริญสกาทาคามิมัค จเจริญอนาคามีมรรคเจริญอรหัตมรรคให้สําเร็จได้พวกนี้เรียกว่าพวกพภัสสัดผู้ที่พอบรรลุได้วิธีการก็บอกว่าเอาพวกพวกอภัพทั้งหลายเอาไว้ก่อนไม่ต้องเก็บมาคิดเพราะอย่างนี้พวกนี้ไม่ได้บรรลุอยู่แล้วแสดงเพื่อวาสนาอย่างเดียวะนะก็เอาพวกพภะ พ, พวกพอจะบรรลุได้มาแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นหกลุ่มด้วยอํานาจจริตเอากลุ่มเท่านี้ราคะจริตกลุ่มนี้โทสะจริตกลุ่มนี้โมหะจริต กลุ่มนี้วิตกจริญกลุ่มนี้สัทธาจริญกลุ่มนี้พุทธิเจริญเพราะแบ่งกลุ่มเสร็จกลุ่มนี้จะบรรลุด้วยอุคติตันยูกลุ่มนี้จะบรรลุ ด, ด้วยวิปัญจิตันยุกลุ่มนี้จะบรรลุ ด, ด้วยนัยยะบุคคลกลุ่มนี้บรรลุ ด, ด้วยธรรมเทศนาแบบนี้ต้องแสดงโดยอาศัยอุปธรรมประเหตุอาศั ย, าศยการสอบถามเป็นต้นเนี่ยก็มีอยหลายอย่างด้วยกันก็สรวจสํารวจตรวจสอบเบ็ดเสร็จแล้วพระองค์ก็อนะ คือหลังจากที่พระองค์ตำรวจตรวจดูสัตว์อยู่นั่นแหละนนพระพรหมก็มาอาราธนาเพิ่มมาดูความพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นท้าวมหาพรหมทราบปริวิตตกในพระไทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีด้วยพระไทยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอรหันตตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีด้วยคาถาทั้งหลายว่าเปรียบเหมือนผู้ที่ยืนอยู่บนยอดภูเขาศิลาล้วน เพิ่งเห็นหมู่ประชุมชนโดยรอบฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้มีเมตตาดีมีปัญญาดีมีจักรสุรอบครอบก็ฉันนั้นเหมือนกันนะก็คือคนที่ยืนอยู่บนภูเขาหรือยืนบนยอดตึกสูงๆเนี่ย น, นะมองได้โดยรอบฉันใดหรือพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดีมีสมันต์จักรสุนะก็คือมีสัพพัญญุตยานมีอนนาวรณายานพระองค์ก็ฉันนั้น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 ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงธรรมเพราะผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมยังจักมีเนี่ยนะพอจะมีอยู่ผู้ที่พอจะบรรลุได้ตรงคำราธนามีเพิ่มเติมว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ผู้มีปัญญาดีพระองค์ผู้มีพระจักษุโดยรอบเนื่องจากพรงมีพระสัพพัญยุตยานก็ฉันนั้น ขอพระองค์โปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทที่สำเร็จด้วยธรรมคือปัญญาพระองค์ผู้ปราศจากความเศร้าโศกพระองค์เองสา ม, มารถจะพิจารณาไคร้ครวนตรวจตราดูหมู่ชนผู้เกลือกล้วด้วยความโศกผู้ถูกชาและมรณะครอบงามแล้วเปรียบเหมือนอย่างว่ามนุษย์ทั้งหลายกระทำที่ดินผืนใหญ่โดยรอบเชิงภูเขาเรียกว่าทานาใกล้ภูเขาเนี่ยนะ ปลูกกระท่อมในแนวพื้นที่เหมาะแก่การเพราะปลูกนะที่แผ่นดินผืนนั้นกระท่อมทั้งหลายก็จุดไฟในเวลากลางคืนที่ดินนั้นเพิ่งมีความมืดประกอบด้วยความมืดมีองค์สีบุรุษคนหนึ่งก็ไปยืนอยู่บนยอดภูเขามองดูพื้นดินไม่ปรากฏมองที่ไหนก็ไม่ปรากฏกระท่อมก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่เปลวแห่งแสงสว่างฉันใดเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาท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 เหมือนลูกศรที่ซัดไปในกลางคืนส่วนสัตว์เหล่าใดที่ทําบุญมามาดีเป็นเวในพุทธเวในเป็นต้นสร้างสมบุญบารมีมาแต่พระพุทธเจ้าพระองค์กรเขาเหล่านั้นถึงยืนอยู่ไกลก็สามารถมาสู่คลองแห่งจักสุเหมือนสัตว์เหล่านั้นเป็นดุอดไฟหรือเป็นเหมือนกับภูเขาหิมะพานจะเห็นภูเขาหิ ม, มวันไม่ภูเขาใหญ่ๆโตๆสูงๆงงถึงจะอยู่ไกลก็มองเห็นเปรียบเหมือนที่พระองค์ตรัสไว้ในคาถาธรรมบทว่า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 มหาวีระแก้วกล้าผู้มีความเพียรข้าแต่พระองค์ผู้ชนะเพราะพระองค์ทรงชนะเทวปุตตมานมั จ, จุมานและกิเลสมานข้าแต่พระองค์ผู้เป็นหัวหน้านำพวกเพราะพระองค์นำสัตว์ออกจากชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกโทมานและอุปายาตข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีนี่คือการมาฉันทะนิวรณ น, นนะัก็อาราธนานะว่าขอให้พระองค์ลุกขึ้นเถิดขอให้พระองค์แสดงธรรมเถอะ ผู้ที่พอจะรู้ทั่วถึงคำได้ยังจะมีดูก่อนพิสูุทั้งหลายเมื่อเท้ามหาพรหมนั้นได้กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าวิปัสสีก็ได้ตรัสกับเท้ามหาพรหมนั้นด้วยคาถาว่าเราได้เปิดเผยประตูคืออริยมรรสสำหรับพระนิพพานไว้แก่ท่านแล้วผู้มีโสตคนที่มีหูจงปล่อยศรัทธาออกมาเถิด อันนะัขอให้หูดีแล้วมีศรัทธานะจงปล่อยมาเลยดูก่อนพรหมเรารู้สึกลำบากจึงไม่ได้กล่าวทมอันประนีตซึ่งเราคล่องแคล่วแล้วในหมู่มนุษย์ดังนี้นัก็คือตกว่ารับปากรับคำที่จะเปิดประตูอมะตะคืออริยมรรคให้เห็นพระนิพพานเพราะฉะนั้นสื่อที่ที่จะรับรู้ข้อปฏิบัติคืออริยมรรคเพื่อแทงตลอดอพระนิพพานก็คือหูผู้นคนที่มีหูขอให้มีศรัทธา ตรงฟังจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวเนี่ยนะพันเขาก็สามารถที่จะรู้แจ้งได้เมื่อดูความพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแหละเท้าหมหาพรหมก็ขี้อีกว่าเราเป็นผู้มีโอกาสอันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาม ว, ว่าวิปัสสีได้กระทําแล้วเพื่อจะทรงแสดงธรรมก็แปลว่าพระพุทธเจ้ารับอาราธนาเปิดโอกาสให้แล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าวิปัสสีกรธรรมประทักษิณแล้วก็หายไปณที่นั้นเองอนะเพิ่มอีกเล็กน้อยบอกว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยนะคนที่พระองค์จะเปิดประตูแห่งพระธรรมเนี่ยนะเปิดเหมือนกับว่าเปิดรัตนะให้แล้วคนที่มีภาชนะคือศรัทธาเข้าไปเดี๋ยวเราจะช่วยสงเคราะห์เขาอนะช่วยให้เขาได้ตรัสรู้นะก็พระองค์ก็รับปากท้าวมหาพรหมก็ดีใจในชะ่ไหม